12. เทวยะตานุปัสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขยรุงสาวัตถีสมัยนั้นเป็นคืนวันเพนเป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำ พระผู้มีพระภาคประทับนั่งกลางแจ้งมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการฟังกุศลธรรมที่เป็นของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกจากโลกเป็นเหตุให้ดาเนินไปสู่ความตรัสรู้จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายควรตอบเขาอย่างนี้ว่า มีประโยชน์ให้รู้จักธรรมแยกออกเป็นสองคู่ตามความเป็นจริงเธอทั้งหลายควรตอบเขาถึงธทมแยกออกเป็นสองคู่คือหนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่านี้ทุ ก, ทกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทานี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานขันธ์เหลืออยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาขั้นตรัสวายกกรพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้จักทุกขเหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้มีควรเพื่อจะทําที่สุดแห่งทุกขได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้จักทุกขเหตุเกิดทุก ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเป็นผู้ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชราสองภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนือง ด้วยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่า เพราะอุปธิทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุ ผู้ใดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคลาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิ 3. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆด้วยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหม ควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนเนืองว่าเพราะอาวิชชานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป นี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัตคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าอาวิชานั่นแลเป็นคติของสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงชาติมรณะและสังสารวัฏซึ่งมีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นอยู่บ่อยๆเ อ, อาวิชาคือความหลงมัวเมาอย่างใหญ่หลวงนี้ เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายจมปลักอยู่สิ้นกาลนานสัตว์เหล่าใดทำลายอาวิชาด้วยวิชาแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงพบใหม่อีก 4. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งๆโดวยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไร ควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทำแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะความสงบสังขารทั้งปวง สัญญาทั้งหลายจึงดับลงความสิ้นทุก์ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะรู้ความสิ้นทุกนี้โดยท่องแท้แล้วบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบเป็นผู้จบเวทรู้โดยชอบแล้วครอบเงำกิเลสเครื่องประกอบของมารได้แล้วย่อมไม่เกิดอีกหาภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือ การพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะวิญญาณ น, นั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนื่งเนืองอย่างนี้และถึง จึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วเพราะวิญญาณร ง, งับลง 6. ภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆ อ, อย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายผู้ถูกผัสสะครอบเำือแล้วแล่นไปตามกระแสตันหาในภพดำเนินไปผิดทางย่อมห่างไกลาจากความสิ้นสังโยตส่วนชนทั้งหลายผู้กำหนดรู้ผัสสะจนทั่วถึงแล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบระงับได้ด้วยปัญญา ย่อมเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสลงได้สิ้นเชิงเพราะรู้ยิ่งถึงผัสสก 7. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า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 มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถูกต้องสัมผัสเวทนาที่มีความเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดามีปกติสุดโทมไปด้วยอุททย พ, พยายญญาเห็นความเสื่อมเป็นที่สุดชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงในเวทนานั้นอย่างนี้เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั่นเองทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป 8. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะตัญหาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะตัญหานั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สอง ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมัน่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 9. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า เพราะอุปทานนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยากเป็นสองคู่โดยชอบเนื่อ ง, งอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพบมีได้เพราะอุปทานเป็นปัจจัยสัตว์เกิดมาแล้วต้องประสบทุกต้องตายนี้เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้ด้วยปัญญาโดยชอบรู้แจ้งภาวะที่สิ้นสุดการเกิดเพราะอุปทานสิ้นไปจึงไม่เข้าถึงพบใหม่อีก 10. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมภะเป็นปัจจัย นี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะอารัมพะนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนืองอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยเพราะอารัมพะทั้งหลายดับลงทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยสละคืนอารัมพะได้ทั้งหมดน้อมจิตไปในนิพพานที่ปราศจากอารัมพะภิกษุผู้ถอนภาวะตันหาได้แล้วมีจิตสงบมีชาติและสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่ 11. ภิกษสุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเหนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเหนืองว่าเพราะอาหารนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป นี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้และถึงจึงเด้ยตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยเพราะอาหารทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัย กำหนดรู้อาหารทุกอย่างจึงเป็นผู้ไม่มีตันหาในอาหารทั้งหลายภิกษุรู้ความไม่มีโรคโดยชอบพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจสี่ดำรงอยู่ในธรรมจบเวทย่อมไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไปเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป 12. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือ การพิจารณาเห็นหนึ่งๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตะความวันไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งๆว่าเพราะอินชิตะนั่นเองดับลงโดยการคายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, เนองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะดับอินชิตะทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงควรสละตัณหาดับสังขารได้ ไม่มีอินชิตะไม่มีความถือมัน่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 13. ภิกษสุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าพันธิตะความดิ้งรนย่อมมีแก่ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจตันหาทิฏฐิและมานะนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า ผู้ที่พ้นจากอำนาจตันหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนื่อ ง, อ, งอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้พ้นจากอำนาจตันหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรนส่วนผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจตันหาเป็นต้นถือมั่นอยู่ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏ ที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้ว่าตัณหาเป็นภัยใหญ่พ้นจากตัณหาเป็นต้นนั้นได้แล้วไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 14. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็ น, หนเนืองว่าอารูปภพ ละเอียดกว่ารูปประพบนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็ น, หนเนืองๆว่านิโรธละเอียดกว่าอารูปประพบนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นทำแยกเป็นสองคู่โดยชอบนเนืองๆอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เข้าถึงรูปประพบและดำรงอยู่ในอรูปประพบ เมื่อยังไม่รู้ชัดถึงความดับกิเลสก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกส่วนผู้ที่กำหนดรู้รูปภพแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปภพน้อมจิตไปในนิพพานย่อมชนะม จ, จุราชได้ 15. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็ น, หนเนืองว่า นามรูปที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านามรูปนี้ไม่เป็นของจริงนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็ น, หนเนืองเนืองว่า นิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านิพพานนี้ไม่มีอยู่จริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้มีอยู่จริงนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย พิสุผู้พิจารณาเห็นธรรมยากเป็นสองคู่โดยชอบเ น, อเนืองอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคทถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าท่านมีความเข้าใจผิดในนามรูปที่ไม่ใช่อัตตาว่าเป็นอัตตาจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกซึ่งพากันยึดมั่นในนามรูปโดยเข้าใจว่านามรูปนี้เป็นของจริงความจริงนามรูปนั้นย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่น จากอาการที่คนทั่วไปเข้าใจอยู่เสมอนามรูปของผู้เข้าใจเช่นนั้นหาเป็นจริงตามนั้นไม่เพราะนามรูปนั้นปรากฏชั่วครู่ก็เสื่อมสู์ไปเป็นธรรมดานิพพานมีความไม่เสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาซึ่งพระอริยะทั้งหลายรู้แจ้งตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาปรินิพพานแล้วเพราะรู้แจ้งอริยสัจ16ภิกษุทั้งหลาย หากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, งด้ดยวิธีอื่นมีบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรก็ควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนือ ง, งว่าอิทธารมที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ พากันพิจารณาเห็นว่าอิทธารมณ์นี้เป็นความสุขซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอิทธารมณ์นี้เป็นความทุกข์นี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นว่านิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่า นิพพานนี้เป็นความทุกข์ซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้เป็นความสุขนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือ ง, งอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานขันธ์เหลืออยู่พระผู้มีประภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสวิยคอนภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพทพะและธรรมารมล้วนหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใด รูปเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมติว่าเป็นสุขถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใดที่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็สมมติกันว่าเป็นทุกข์ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสักกายะว่าเป็นสุขการเห็นของอริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ย่อมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวงบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุข อริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์อริยบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากคนพานผู้หลงไม่รู้แจ้งใน น, นนิพานนี้ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณ์เือกิเลสหุ้มห่อไว้เหมือนความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็นฉะนั้น แต่นิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตว์ปุษเหมือนแสงสว่างปรากฏแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ฉะนั้นชนทั้งหลายผู้สแสวงหาทางไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้บุคคลผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำแล่นไปตามกระแสตันหาในภพถูกบ่วงมานคล้องไว้จะไม่รู้ธรรมนี้ได้ง่ายเว้นอริยบุคคลทั้งหลายแล้ว ใครเล่าควรจะตรัสรู้บทที่อรียบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้วไม่มีอาสวะปรินิพานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคขณะที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระภาสิทธินี้อยู่จิตของภิกษุประมาณหกร้อรูปหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น ทวยะตานุปัสนาสูตรที่ส2องจบรวมหัวข้อธรรมประจำเรื่องในพระสูตรนี้คือ 1. สัจจะสองอุปธิสอวิชา 4. สังขาร 5. วิญญาณ 6. กภาษะเจเวทนา 8. ตันหา 9. อุปาทาน 10. อารัมพะ 11. ออาหาร 12. อัญชิตะ 13. พันธิตะ 14. รูป 15. นิพพานสัจจะ 16. ทุกข์มหาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปพัพ ช, ชาสูตร 2. ประธานสูตร 3. สุภาษิตะสูตร 4. สุนทริกะพารทวชาชะสูตร 5. มาคสูตร 6. สพิยสูตร 7. เซลสูตร 8. สันลสูตร 9. วาเศษทสูตร 10. โกกลิกสูตร 11. นาลกะสูตร 12. ทวยตานุปัสสนาสูตร สี่อธกววคหมวดว่าด้วยการไม่ติดอยู่ในกาม 1. กามสูตรว่าด้วยเรื่องกามพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พราหมณ์ผู้เป็นชาวนาณนะกรุงสาวัตถีดังนี้ถ้ากามนั้นสําเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้ ถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกสอนแทงผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกานี้ในโลกนรชนใดปรารถนาหนึ่งเนืองซึ่งไรนาที่ดินเงินโคมา้าธาตุบุรุษสตรี พวกพ้องหรือกามเป็นอันมากกิเลธทั้งหลายอันไม่มีกําลังครอบงำนรชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกจึงติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ําไหลเข้าเรือรั่วฉะนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึ่งมีสติทุกเมื่อละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้ เหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นกามสูตรที่หนึ่งจบสองคูหัตกะสูตรว่าด้วยผู้ค้่องอยู่ในถ้ำพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท่านพระปินโทลภพารทวาชะณกรุงสาวถีดังนี้นรชนผู้ข่องอยู่ในถ้ำถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้เมื่อดำรงตนอยู่อย่างนี้ ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลจากวิเวกเพราะการทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับความพอใจในพบมุ่งหวังกามในการภายหลังอนาคตหรือในการก่อนอดีตปรารถนาการเหล่านี้และกามที่มีอยู่ก่อนย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยาก และทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยสัตว์เหล่านั้นจินดีขนขวาวลุ่มหลงในกรรมทั้งหลายเป็นผู้ตกต่ำตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดประสบทุกข์แล้วจึงคร่ําครวญอยู่ว่าเราจุติจากภพนี้จะเป็นอะไรหนอเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้พึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้น นัปรากล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ตกไปในอำนาจตันหาในภพทั้งหลายกําลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนที่เลวผู้ยังไม่คลายตันหาในภพน้อยภพใหญ่ริ่มไรอยู่ใกล้ปากมจุราชพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กําลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาในน้ําน้อยซึ่งกระแสแล้ว นโรชนเห็นโทษนี้แล้วก็อย่าก่อตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานักปราชญ์พึงกำจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านกำหนดรู้ภัษะแล้วก็ไม่ติดใจติดเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทำกรรมนั้นไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วมูนีกำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลาย พิงข้ามโอคาได้ถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคู่หัตถะสูตรที่สองจบสามทุตถะสูตร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 พึงกล่าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าแต่เมื่อทำตนให้เพียรพร้อมรู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้นสัตว์เกิดใดไม่มีใครถามก็บอกศีลและวัดของตนแก่ บ, บุคคลเหล่าอื่นสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วไม่อ้อดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้ อันหนึ่งิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกผู้ชลาทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมเจ้าลทัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชิดชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าลทัทธินั้นเห็นอนิสงส์ใดในตนอาศัยอนิสงส์นั้นและสันติที่กาเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้างทิฐิที่กาหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกเพราะผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดนั้นละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้ว ไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายจะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะทิฏฐิว่ามีอัตตาทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้ทงปวงในอัตภาพนี้แหละ ทุตตะะกสูตรที่สาจบสสุตตะะกสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจดพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นบุคคลเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้ว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยม จึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณถ้าความหมดจดมีแก่นรชนเพราะความเห็นหรือนรชนนั้นละทุก์ได้เพราะญาณ น, นรชนผู้ยังมีอุปธินั้นย่อมหมดจดเพราะมักอื่นก็ได้เพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้นพราหมณ์ไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน ศีลและวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมักอื่นพรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปละอัตตาได้เรียกว่าผู้ไม่ทำเพิ่มเติ ม, ตมในโลกนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังไปตามความพลุ่งพล่านย่อมข้ามกิเลสเครื่งรองข้องไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งเหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วก็ปล่อยฉะนั้น สัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองข้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มๆุ่มดอนดอนส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันไพยบูรย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กำจัดเสนนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใครๆในโลกนี้จะพึงกำหนดผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผยด้วยเหตุอะไรเล่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่กำหนดไม่เชื่อชูสัตบุรุษเหล่านั้นไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดสุดโต่งสลักขีเลกเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วไม่ก่อความหวังในที่ไหนไหนในโลกพระอระหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพราม เพราะรู้และเห็นพระอระหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นไม่มีความกำหนัดในกามคุณอันเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัตเป็นที่คลายกำหนัดพระอระหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นว่ายอดเยี่ยมในโลกนี้สุทัตถะสูตรที่สจบ ปรมัตถกะสูตรว่าด้วยผู้ยึดถือทิฏฐิของตนว่ายอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์เกิดผู้ยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยมย่อมทำทิฏฐิใดให้ยิ่งใหญ่ในโลกกล่าวทิฏฐิ อ, อื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลวเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดนั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้ เจ้าลทัทธิเห็นอนิสงค์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศีลและวัดหรือในอารมณ์ที่รับรู้เจ้าลทัทธินั้นยึดมั่นทิฏนั้นในลทัทธิของตนนั้นเห็นทิฏอื่นทั้งปวงด้วยความเป็นของเลวบุคคลอาศัยศาสดาใดเห็นศาสดาอื่นว่าเลวผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกศาสดานั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะฉะนั้นแลภิกษุ จึงไม่ควรอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือศีลและวัดภิกษุไม่พึงกาหนดทิฏฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศีลและวัดไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาไม่พึงสำคัญตนว่าด้อยกว่าเขาหรือเลิ่กว่าเขาภิกษุนั้นละอัตตาแล้วไม่ยึดถือไม่สร้างนิสัยแม้ด้วยญาณเมื่อชนทั้งหลายแตกกันภิกษุนั้น ก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายภิกษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไรอะไรพระอรหันต์ใดผู้ไม่มีความคดนืองหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในภพน้อยภพใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่มีพระอรหันต์นั้น ไม่มีทิฏฐิอันสัญญากำหนดไว้แม้นิดเดียวในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่รับรู้ในโลกนี้ใครๆ ใ, ในโลกนี้จะพึงกำหนดพระอรหันต์นั้นผู้เป็นพราหมไม่ยึดถือทิฏฐิอยู่ด้วยเหตุอะไรเล่าพระอรหันตขี่นาศพทั้งหลายย่อมไม่กำหนดไม่เชิดชูตันหาและทิฏฐิไว้แม้ทำทั้งหลายพระอรหันตเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนา พระอาหารหันต์ผู้เป็นพรามนั้นใครๆค้นนำไปด้วยศีลและวัดไม่ได้เป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเป็นผู้คงที่ปรมัตถกะสูตรที่ห้าจบ 6. ชราสูตรว่าด้วยชราพระผู้มีพระภาคตรัสแกพุทธบริษัทชาวเมืองสาเกตดังนี้ชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปี แม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชาราแน่แท้ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความพัดพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงคุณระบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่พึงครองเรือนบุรุษยอดสําคัญเบญจขันใดว่านี้ของเรา เบญจขันนั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายบัณฑิตผู้เป็นพุทธมามะกะรู้ชัดโทษนี้แล้วไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราบุรุษผู้ตื่นขึ้นแล้วไม่เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดใครๆก็ไม่เห็นชนผู้เป็นที่รักซึ่งตายจากไปแล้วฉันนั้นชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้าง ยังได้ยินกันอยู่บ้างสัตว์เกิดจากไปแล้วเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวคานกันชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคร่ำครวญและความตรนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมูนีผู้เห็นแดนกเกษมละความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้น ใช้ที่นั่งอันสงัดนั้นว่าเป็นความสามัคคีมุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสิ่งไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสิ่งไหนให้ไม่เป็นที่รักความคร่ำครวญและความตรนีไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นมุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยดน้าไม่ติดอยู่บนใบบัว เหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนดอกบัวฉะนั้นพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้พระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดด้วยมรรคอื่นย่อมไม่กําหนัดย่อมไม่ต้องคลายกําหนัดชาราสูที่หจบเจติดสะเมตยสูตรว่าด้วย ปัญหาของติสะเมเตยะท่านพระติสะเมเตยะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแคลงของบุคคลผู้ประกอบเมธุนธรรมหนึ่งๆข้าพระองค์ฟังคําสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมเตยะ คำสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมเนืองๆย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิดการปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นผู้ใดในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเข้าไปเสพเมถุนธรรมผู้รู้ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นปุถุชนเลวในโลกเหมือนยานที่แล่นไปฉะนนั้นยศและเกียรติเป็นเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไป ภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมภิกษุนั้นถูกความดํริครอบงาย่อมซบเซาเหมือนคนกําพร้าครั้นได้ยินคําตําหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกถ้อยคําของผู้อื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างศาจธราย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี้แหละ เป็นเครื่องทำให้ติดใหญ่ของเธอภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมก็จักมัวมองเหมือนกับคนโง่ะฉะนั้นมูนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นครหัดก่อนบวชในธรรมวิ น, นัยนี้พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงไม่พึงเข้าไปเสพเมทุนธรรม บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นผู้นั้นแลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานหมู่สัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีมุนีผู้ว่างประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคะได้แล้ว สมาเมเตยสูที่7จ็ดจบ